วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะแต่เป็นการเร้ยนธรรมะที่เกิดจากภายในของเราเองตัวตัวกายตัวใจนี่แหละเขาจะสอนธรรมะถ้าเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้นะต้องต้องเรียนรู้อยู่กับเขาให้ได้เช่นบาครั้สเราทานข้าวเองเนาะ มีความง่วงนอนเ น, นะตาก็อยากจะรับอมือก็ไม่อยากจะยกอใจก็เหนื่อยล้านะเราจะปลุกตัวเองให่นขึ้นมาได้อย่างไรน ะ, นะนี่สิ่งที่เราเราต้องฝึกตัวเองนะเพ <นะ S 2> ราะธรรมะนี่ถ้าฝีแค่ได้ยินได้ฟังจะได้ อ, อ่านบางทีมันก็เข้าใจมันมันจําได้มันจําได้ว่า เราได้ฟังแบบนี้นะเรารู้แบบนี้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มีธรรมะจริงๆเนาะดังนั้นธรรมะก็คือการฝุดผลนี่แหละนะความรู้จะ่เราเกิดจากการได้มีได้ฟังได้อ่า น, เ, นเป็นความรู้ระดับเรียกว่าสุตตะน เ, นเนียปัญญาเนาะหรือการที่เราสามารถคิดนะ ติอนตาเหตุตามผลตามลักบตามละได้นี่เรียกว่าสิ่งแต่มยปัญญาเนี่ยคิดได้แต่ถ้าภาวนาเยพัญญาก็คือทําได้ทําได้อเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้ได้นี่ทําได้ตอนที่มันทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อันนี้คือทาได้ตอนที่มันโกรธเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความไม่โกรธ นี่คือทาได้คือทํานะี่เปลี่ยนนะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยอาศัยความคิดเปลี่ยนนะพนะยายามคิดว่าโกรธไม่ดีเนี่ยนะคนที่ยังไม่โกรธนะคนที่จะมีเมตตากับเขานะบอกกับนั้นนะใจไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่เราเรามาแบบเหนือเมฆเลยไม่ต้องไปแก้ความคิดด้วยความคิด <c oughs> แก้ความคิดด้วยการกลับมารู้สึกตัวนะ ความคิมันตามไม่ทันะแต่ก็คือที่จริงเกเรก็คือมันรอที่เราคิดนั่นแหละดอให้เราคิดต่อคิดโตเทียนกับเขาคล้ายๆเหมือนกับมีคนบ้าตรงนั้นนะมาชวนเราคุยมาชวนเราทะเลาะเราก็รู้แล้วอ่าว่า น, นี้ไม่ปกติอมาชวนพูดชวนคุยชวนทะเลาะวิธีการอะไรเงี้ิดไปต่อร้อต่อเสียม ปล่อนะยเขาพูดไปล่อเขาคุยไปแล้วก็เดินหนีไปนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณนะ์เปลี่ยนอารมณนะ์มาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับการรู้นึกรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่คือเปลี่ยนกลับมาอันะนั้นนอกบางทีเดี๋ยวเราภาคบ่ายี่เราปฏิบัติทำบางครั้งเจขอขวดง่วงพยายามปลกตัวเองให้เป่นขึ้นนะอาจจะเดินให้เร็วขึ้น แรงขึ้นยกมือก็สามารถยกพล้วเคลื่อนที่มันปรับจังหวะได้นะวิธีการนี้ก็มีข้อดีนะหลายอย่างอย่างหนึ่งเช่นเวลานะเราง่วงนะเราไม่ไนั่งนี่นะเราก็สามารถเคลื่อนไหวให้มันให้มันแรงขึ้นชัดขึ้นนะทําได้นะมันจะทําให้เรากลุกความง่วงไดนะ้ยืมตาตกระโตนะหรือถ้าใครก็มองไปตรงที่โล่งโปร่งๆเหมือนน่ะ เพื่อให้เราติดใจเราตื่นขึ้นมาได้หรือบางครั้งอาจจะฟุ้งซ่างอาจจะมีความคิดมากนะไม่เป็นไรนะเราก็เราก็ให้ความคิดมันเหมือ น, ในใคล้ายๆเหมือนเป็นจริง ค, ค, ร, ออครับภายนอกคล้ายๆเหมือนถ้าเราไปอยู่ในที่อื่นแล้เขาเปิดเพลงเสียงดังเขาคุยเสียงดังถ้าใจเราไม่ไปเกาะเกี่ยวนะเราก็ไม่ฟุ้นะอ แต่ถ้าเราไปคิดทําไมเขาเสียงดังทําไมเขาวุ่นวายใจเราจะใจมันเจ็เครียดความคิดก็เหมือนกันความคิดถ้าเราทําความรู้สึกเหมือนคล้ายมันเหมือนเป็นเพลงที่มันดังอยู่ภายนอกนะมันเหมือนเป็นคนอื่นที่ตข้าสู้กันนะแต่จริงมันเป็นจิตที่มันโหมอะไรบางทีคิดมันพูดนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจจริงแค่รู้นะคล้ายเหมือนแมงหวีนึมงวันก็ นะขอขาบินตอมานะ่นะเราก็แค่รู้สึกแบบนั้นอาจจะรําคาญบ้างนะไม่เป็นไรนะรําคาญก็รู้นะว่าใจมันมีความราคาญเกิดขึ้นมันะไม่ได้ปฏิเสธนะอไม่ได้ปฏิเสธหรือเราไม่ได้ปฏิเสธแล้วเราต้องเป็นคนที่ดีต้องคิดดีคิดบวกตลอดความจริงที่ใจเขาแสดงอะไรนั่แหละเราดูมันะดูมัน โดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตามความจริงเนาะ อ, นะอาศัยกลับมารู้สึกตัวไปบ่อยกลับมารู้สึกตัวไปบ่อยอืมอะไรจเกิดขึ้นก็แล้วแต่กลับมารู้ึกตัวนะมันจะทําให้เราผ่านผ่านไปได้แบบเหือเมฆนะผ่านมาได้แบบไม่ต้องไปพุ่งลงในกับเขานะถ้าเป็นแบบนักมวยนะนักมวยก็โอเคแบบป่อยออกหลบฉาก รอยแยกยันเดียวในคราบผู้พุกวงในด้วยไม่เก็บตัวลงจับฉลาดนับปฏิบัติธรรมที่ฉลาดก็เหนกันอย่าไปแก้ความคิดด้วยความคิดอย่าไปแก้อารมณ์ด้วยอารมณ์เราแก้ในการกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกอย่างจะจบตรงตรงนั้นแม้จะมีความหลงเกิดขึ้นทั้งใหม่ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ใหม่ะให้เป็นไระ กลับมาหาใจที่เป็นปกติกลนะับมาหาใจที่เป็นปกติเขาคือใจที่รู้สึกตัวนเนี่ยนะเรากลับมาบ่อยๆเมื่อเรากลับบ่อยๆศรีใจอะไเนี้ยมันจะเคยคินกับความเป็นปกติมันจะเคยคินกับความปกติมันจะสัมผัสกับความสุขที่เออมันเป็นสุขที่ประดจากความปกติสุขที่เกิดจากการว่างจากการยึดถือต่ตางๆ สุขจากการที่ไม่ต้องคิดเนะี่ยมันจะสุขแบบเนี้ยมเมืมันสุขแบบนี้นะมันก็จะออกไปที่ อ, อื่นน้อยเองคล้ายๆเหมือนกับเด็กนะเด็กบางทีเขามีความสุขจากการไปเล่นเกมมีความสุขจากการไปเล่นนอกบ้านแต่ถ้าพ่อแม่ท่างไหนพยายามหาสิ่งสิ่งล่อหรือว่าสิ่งที่ทําไม่เด็กเขาชอบอยู่ในบ้านเขาก็จะทําสิ่งที่เขาชอบอยู่อยู่ในบ้านนี่นแหละนะ ไม่อยากออกไปได้ดเกทข้างนอกไม่อยากออกไปเที่ยวเต้ดิสข้างนอกเราก็จะมีความสุขอยู่ภายในได้ใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีตอนนี้มันมีความสุขจากการได้คิดเนะี่ยหรือมีความสุขจากการได้เตะอารมณ์นะนะเราก็พยายามหาความสุขนะ ใ, ในภายในในการให้เขากลับมารูร้ตัวใหม่ๆมันจจะอาจจะเฉลี่ยขาดบ้างแต่ละ บ, บางคนแต่พอเราได้เฉลี่ยขาดบ่อยก็ ความรู้สึกตัวนี้มันทําให้สิด ม, มนันสงบเนาะความรู้สึกตัวนี่ทําให้เกิดความสุขนภายในเนาะหรืองทีความรู้สึกตัวเวลาเราลุกทันความคิ ด, ดเราก็จะหลบมันเนาะคิดไดปไงเนาะเราก็จะหลบมันก็องงยิ้นภายในหนนลบที่ความหลงทําอะไรไม่ได้หลบที่ลุกพันกิเลสมันก็เป็นความสุขนหรือบางทีแล้วก็ มีความสุขที่เกิดจากการได้ปล่อยวางโอ้ใจก่อนใจทุกขนะ์พอรู้ทันมันเหมือนของหนักที่มันอยู่บนบามันหลุดออกไปเลยนะแต่ถ้าภายในใจก็คือว่าเมือใต้ใจเรามันมันหนักอะไรทุกทกอย่างเป็นรู้พอสักพักหนึ่งพอรู้ตัวมันโล่งโปร่งเลยนะอันนี้ยมันจะเกิดความสุขภายในในั่นเกิดจากความสุขภายในแล้วทีนี้ก็มันจะ อยู่คนเนี้กับตัวจะมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นเพื่อยู่กับการฝุกผลของเรานะนเราก็ต้องพยายามฝุกผลอาจามาก็แค่พูดให้เป็นกำลังใจนะ อ, อให้พวกเราได้พยายามทําเองนะทํามือนกับเราตีข้าหวหรือโยนนะ่ะคุณหมอก็เปลียนแก่อาหารให้ถ้าโยนนี่ไปเอาของอาหารมารับประทานเองก็ไม่อนะเอียนนะอืาจอรย์มาเองก็ เอาธรรมะที่พอจะรู้มามาสู่พวกเราฟังนะที่เหลือก็อยู่ที่เราได้ปฏิบัติกันเองนะเดี๋ยวถ้าตอนสอนเตอร์เดีวมีอะไรได้เกลีทักถามกันก็ตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ขอให้เราได้ลองได้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อีกอย่างพยายามอถ้าไม่มีความเป็นจริงจริงเนาะก็ไม่ต้องพูดคุยกันเราอยู่กับตัวเองอยู่สองสามชั่วโมงเนี่ ลองดอูกับตัวเองนะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องไปหาดูอะไรข้างนอกมากนะนะเดี๋ยวเสร็จคลอดนี้เราค่อยไดูนะไปดูในแท็บ ก, ก, การไปดูอะไรเราค่อยไปดูนะตอนนี้ลองดูดูตัวเองเลยนะดูกายดูใจบางครั้งนะมันมีอะไรที่มันไม่มีก็ดูไปนะลองพรมดูตัวเองกันได้เราจะอยู่กับตัวเองได้นะยังมีความสุข นะลองทํารงนี้นนะเดินจนกลมก็ได้นั่งยกมือตั้งสมบัติก็ได้หน้านอกก็ได้นะเพืนถ้าจะกล่าวข้ามข้างบนนะไม่ไม่ได้ข้างล่างข้างบนถ้าเราคนที่อินทีแก่กล้าก็เสียงปฏิวัตาเสียงอืไม่ใช่เสียงแล้วก็สนใจเดินดูอื ม, อม แต่บางทีก็ต้องฝึกบางทีชีวิตจริงเรามันตีสอบไม่ได้ืมแต่ถ้าคนใหมใหม่ก็อยู่ภาย ใ, ใ น, นี้นก็จีนะแอร์ถ้าเย็นสบายข้า <c oughs> งนอกมันร้อนนะเสียงไม่ดังเขาจากคนเกา่เกาๆจริงฝึกมาสองสามปีแล้วก็แต่แข็งก็ไปเรียนไปนัป่งข้า ง, งนอกก็ได้